วันนี้เป็นวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2554วันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปไหลไปเรื่อยเหมือนกับ น, น้ำลำรางน้ำโสมไหลตกไ่น้ำโขงไ่น้ำโขงไขงหลตกน้ำทะเลจากนั้นก็เป็นไอ้น้ำขึ้นมาอีกขึ้นไปเมฆหมอก ตกลงไปอกีกวัตถวนเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราถ้าไม่คิดเลยก็ไม่น่าจะถูกถ้าจะคิดแล้วก็ไม่วางแผนก็ไม่น่าจะถูกถ้าหาว่าคิดแล้วก็นําหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ไปไปค้นคว้าศึกษาดูหรือจะมีทางอื่น ที่ดีกว่ามีไหมแต่มองดูแล้วไม่มีมองดูแล้วไม่มีมองทางอื่นไหมดทีที่จะกว่าดีกว่าที่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดจะทำให้ไม่ให้ตายมีไหมวิชาการแพทย์ก็รักษาได้ในระดับหนึ่งเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นต้นาศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นผู้เลิศก็ถึงจุดจบเหมือนกันจะมีอะไรที่จะเหนือกว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นวิบากในอดีตแต่ต่อไปนี้ในเมื่อเราหมดวิบากตัวนี้แล้วชำระใจ ใจบริสุทธิ์ใจหมดจดจากกิเลสใจไม่มีโลภโกรธหลงแปลว่าสิ้นสุดสิ้นสุดจุติพบชาติแต่ว่าวิบากของร่างกายในอดีตชาติเป็นวิบากกรรมในอดีตมาถึงวันนี้พอชำระจบแล้วก็จบชาติหน้าไม่มีอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติทุท้าย จะไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกแล้วนี่ลือคือเราใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางเรียกว่าเป็นแนวปฏิบัตินอกจากนั้นพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันจะเป็นศาสตร์ไหนศาสตรไหนเถอะศาสตรไหนก็บศาสตร์ปศุวกุณเวียนอยู่ในปตสงสารไม่มีศาสตร์ไหนที่จะบอกชี้ชัดว่าจะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายหรือว่า พิชาติไม่มีไม่มีศาสตร์ไหนที่จเจริญรุ่งเรืองทุกวันกัวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์กับค้นคว้าศึกษากับออกไปทางนอกมีแต่เครื่องอำนวยความสะดวกให้แก่ร่างกายจะทำยังไงให้ร่างกายของเรามีความสุขจะเดินไปที่ไหนก็มีรถมีเครื่องบินมีอาเครื่ อ, อำนวยความสะดวกอาหารการบริโภค มีแต่ปนปือร่างกายของเราให้มีความสุขแต่หลักของพระพุทธศาสนาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกไว้ทันตรัสไว้ว่าค้นคว้าศึกษาดูแลว้วถึงจะปนปือขนาดไหนก็เถะร่างกายนี้ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเลี้ยงไม่เชื่อเลี้ยงไม่เชื่อเลี้ยงร่างกายจะเอาเอาอะไร จะอาหารดีๆมาให้ทานดูถูกสุขลักษณะทุกอย่างเอาเข้าร่างกายจาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีที่สดุดเอามารักษาร่างกายผ้า น, นุ่งห่มสวยงามดีที่สดุดเอามาเพื่อให้ร่างกายสร้างบ้าน ห, หลูหาโออาานวยความสะดวกคดีที่สดุดให้ร่างกาย ร่างกายก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอคล้ายๆว่าเลี้ยงไม่เชื่องย่าแก่นะมันก็ไม่ฟังอย่าเจ็บนะบางทีเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนแล้วโออาสวยงามยังไปปวดฟันอยู่ในนั้นอีกยังไปปวดลูกตาอยู่ในนั้นอีก ทั้งที่สร้างให้ดีๆแล้วน่าจะหายปวดหายเจ็บหายไขย้เนี่แหละสรุปแล้วก็คือถึงพวกเราจะปนปื้อหาวัตถุดีขนาดไหนรถรามาวิ่งอำนวยความสะดวกให้ขนาดไหนให้แก่ร่างกายร่างกายก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเลี้ยงไม่เชื่อ เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านไปค้นควาศึกษาดูแล้วว่าทำใหม่มันเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นธรรมชาติเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดอีกพระพุทธเจ้าตายแล้วเกิดอีกเพราะมันมีเชื้ออยู่ที่จะพาให้เกิดมันมีเชื้ออยู่เชื้อตัวไหนก็เชื้อคือใจแต่ทางวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ไม่รู้ไม่ว่าศาสตร์ไหนๆเขาเห็นได้แต่ร่างกาย เห็นได้แต่รูปประธรรมแต่ส่วนนามธรรมคือจิตใจนั้นต่างคนก็ต่างนึกต่างเดาก็มีศาสนาอื่นๆก็มีเยอะแยะต่างเดาว่าไปที่ไหนต่อที่ไหนแต่พระพุทธาศาสน า, ศ า, ศ า, ศาพระพุทธเจ้าท่านก็จะว่าท่านเดาก็ใช่เพราะพวกเรามองไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าตรัส ด, ด้วยความจริงจังและจริงใจท้าพิสูจน์อีกต่างหาท้าพิสูจน์นั่นทำยังไงเหมือนกับวิทยาศาสตร์ ไฟนะจับดูสิจับรวมร้อนอ่พระพุทธเจ้าว่าอันนี้ชั่วนะหรือว่าปฏิบัติตนอย่างนี้นะคิดอย่างนี้นะพิจารณาอย่างนี้นะทำใจอย่างนี้นะถ้าเราทำตามทาคำคมสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกกล่าวเอาไว้พวกเราก็จะรู้จริงเห็นจริงหรือได้สัมผัสจริง มันเหมือนวิทยาศาสตร์ด้วสัมผัสวาร้อนก็ะ้องร้อนอย่างที่ว่าเพราะนั้นทำคาสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ตัวไหนพาไปเกิดอันไปค้นคว้าศึกษาคือใจนามธรรมาตัวนี้แหละที่พาไปเกิดตัวนี้มันคืออะไรแต่วิทยาศาสตร์หรือว่าศาสตร์ต่างๆทั่วโลกเดี๋ยวนี้เขายังจับตัวนี้ไม่เจอจับมาถึงจะเป็น ศาสตร์การแพทย์ก็เถ อ, อะวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือแพทย์แผนไหนก็เถอะก็จับมาได้แต่ถึงร่างกายอาการของกายรักษาตามอาการจากนั้นก็ถึงสมองแนวความคิดไม่เหนือกว่านั้นแต่พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบอกว่าสมองนะ่ะคือของใช้ มันเป็นของใช้ใช้ของใจใจนั่นคือนามธรรมตัวนั้นน่ะมันเป็นตัวสลับซับซ้อนตัวลึกลับมากจะไปคิดไปเดาไปคาดคะเนไปคำนวณไม่ได้ทั้งนั้นจะไปจับใจจับอะไรก็ยิ่งปุงฟุ้งออกไปทั้งข้างนอกมีทางเดียวต้องสมาธิที่ตรล่อมเข้ามาให้มันอยู่จุดใดจุดหนึ่งจึงจะรู้ได้ นี่แหละฝึกนะสมาธินะถ้านอกจากนั้นไม่มีทางไม่มีทางที่จะจับตัวผู้รู้ตัวใจตัวนามธรรมตัวนี้ได้แต่ตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมากๆในหลักของพระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นมาแลว้วว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจมนโนปุพังหลวงพ่อยกให้ฟังแล้วยกให้ฟังอีกสรุปแวกคือ พระพุทธเจ้ากจกประเด็นใจเป็นใหญ่กายนี่ถึงยังไงก็เป็นเรื่องของวิบากในอดีตชาติที่เราได้ทำกรรมอันไหนไว้ทำกรรมดีทำกรรมชั่วไว้ในอดีตเราต้องได้รับวิบากกรรมที่ได้กระทำแต่บัดนีเ้เมื่อมาถึงจุดนี้เราก็รู้แล้ ว, ว่าเราได้รับวิบากกรรมในอดีตที่ได้ทำไว้แต่บัดนี้เราจะให้ มันจบลงไปเราจะทำยังไงจึงจะให้มันจบเพราะการเวียนว่ายตายเกิดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเกิดพหน้าชาติหน้าก็เป็นอย่างที่พวกเราเห็นสัตว์สายสิงห์หมูมา้ากาไก่มนุษย์แต่และชาติชัน้นวนะันณะก็เห็นเห็นกันอยู่มันมีความสุขไหมความสุขที่แท้จริงของสรรพสัตว์ทั้งหลายความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ มองเห็นไหมคืออะไรออกมาพูดให้ชัดๆให้ฟังดูสิคืออะไรถ้าจักชักไซไล่เลียงดูแล้วก็มันเหมือนกับคว้าน้ำเหลวเหมือนกันความสุขที่แท้จริงไม่รู้จะจับตัวไหนมาเออเป็นตัวยืนหรือว่าเป็นตัวชี้ชัดว่ามีความสุขที่แท้จริงกินข้าวแซบ่บกินข้าวอร่อยนอนหลับ ทำอะไรทุกใจถูกใจทุกอย่างอีกสักวันหนึ่งไอ้ความไม่ถูกใจมันก็มีอีกล่ะเรื่อทานอาหารดีขนาดไหน อ, อ, อิ่ม เ, เวลามันสุดเสร็จแล้วถ้าไม่มีห้องน้ำเข้าไปล่ะเราออกไปมันจะออกมันสุกไหมมันคล้ายๆว่าสุกแล้วก็ทุกสุกแล้วก็ทุกทุกแล้วก็กกวกสุก ทุกๆสุขๆสุขๆทุกๆมันเหมือนกับเอาถ่านไฟมาทิ้งใส่มือฝ่านี้มันร้อนก็นโยนมาฝานี้ฝานี่ก็ย้อนวนมดไม่แต่โยนไปโยนมาเท่านั้นเองแล้วจะหาความสุขที่ว่ากำไว้ตลอดไปเย็นมีความสุขนะมันมีไหมในโลกเนะียพวกเราวิเคราะห์คิดดูให้ดีพระพุทธเจ้าว่าไม่มีนอกจากความสงบ สงบคํำนี่คืมันมีหลายขั้นตอนสงบสมาธิสงบประงับกิเลสราคะโทสะโมหะสงบแบบท้าวรเป็นอมตะจิตอมตะธรรมอมตะธาตุอันนั้นคือความสุขที่แท้จริงแต่ความสุขสงบในระดับหนึ่งคือคือสมาธิก็มีความสุขในขณะประเดียวประดาวเมือ่อเราทานอาหารนอนหลับอย่างนั้นก็มีความสุข แต่พร้อมที่จะทุกเนี้ยก็เหมือนกันทุกไสุขในสมาธิัคำว่ดนัตติสันติปรังคำกวาเก่าวานี้ยคเหมือนกับสุขศีลาทับยาศีลามาทับหยาไว้ยามันก็อยู่ข้างล่างแต่เอายกศิลาขึ้นมาเมื่อไหร่ยานั้นก็งอกเงยยิ่งงามขึ้น ก, กว่าเก่าอีกสมาธิก็เช่นเดียวกันเมื่อระงับใจให้สงบมันก็มีความสุขแต่สมาธิ ออกไปแล้วจิตเป็นปกติจิตไม่เป็นสมาธิจิตไม่สงบแล้วมันก็ยิ่งปุ่งฟุ่งออกไปอีกอจะหาความสุขไม่ได้เว้นเสียจะถอนลากถอนโคลนได้ว่าเอาซีลาทับลงไปแล้วก็ถอนหญ้าถอนลากถอนโคลนอีกจนหญ้าตรงนั้นไม่เกิดอีกแล้วนั่นแหละแปลว่าจบนี่แหละและจะทำยังไงที่จะทา จะค้นขวาศึกษาแล้วค้นจุดนี้ทําจุดนี้ให้สงบระงับป ร, ราบคาบลงไปได้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสมาธิเป็นเบื้องต้นสมาธิน่าจะทําอย่างไรสติสัมปชัญญะนะคือให้มีสติถ้าขาดสติแล้วจะเกิดสมาธิไม่ได้ถ้าว่าไม่มีสติแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นได้ได้อย่างไรเพราะนั้นท่านยังว่า สติสัมปชัญญะสติสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวจากนั้นให้จับอยู่ตรงไหนในร่างกายของเรากจะจับอยู่ในมือบางทีมือมันก็ไม่กระดิกจับอยู่ในตาตาบางทีมันก็หลับไปเลย จ, จับอยู่ในหูหูก็อยู่เฉยๆดูในในร่างกายของเราจับที่ตรงไหนที่มันกระดุกถ้าจับอยู่ในหัวใจที่มันเต้นอยู่ตึกตึก บางทีมันก็ไปอยู่ในที่พุ่นวายมันก็มันจับไม่ได้อีกเพราะมันอยู่ลึกเกินไปจับที่ไหนจริงจร้จับที่ปลายจมูกลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าถ้าว่าคนตายท่านะ่ะไม่มีลมถ้าคนยังมีชีวิตอยู่ต้องมีลมแต่มันไม่เห็นทำไม่ไมเห็นเพราะสติของเราอ่อนมากเลือนลางมาก ขณะจับลมก็ยังไม่อยู่ทั้งที่มันลมหายใจเข้าออกทุกเวลาก็ยังจับไม่ได้สแสดงว่าสติของเราอ่อนต้องตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นอีไอให้เข้าจ้องดูอีกกําหนดดูอีกเพ่งดูอีกกําหนดดูอีกอสติดูที่ปลายจมูกอีกให้เข้มแข็งขึ้นนี่แหละพอเข้มแข็งขึ้นเราจะรู้ได้ถ้าหายใจไม่ได้เอาหายใจแรง กระแทกเข้าไปกระแทกออกมามันเข้าที่ไหนจากนั้นก็ปล่อยปล่อยปล่อยให้เป็นธรรมชาติก็จะรู้ได้แหละนี่แหละวิธีการกำหนดลมจากนั้นก็พอรู้ละเออเอาสติสัมปชัญญะอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกพอลมหายใจเข้าออกกลัวาหายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่ในนั้นจิตไม่คิดถึงอดีตจิตไม่คิดถึงอนาคตจิตไม่กระสับกระส่ายจิตไม่ อ, อลวนเละแปรผันไปที่อื่นจิตเน่งอะไรเธอเนี่ยพอมันให้กําหนดอยู่ที่ปลายจมกูกจากนั้นก็จิตรวมไะจิตจะรวมอะรวมสงบเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งนั่นแนหะเริ่มเริ่มเข้าจู่ทางนล้บนะ้านถ้าจิตรวมเข้าไปนะเริ่มรู้จักแนวทางอะไรเธถ้านอกจากนั้นลนะยังไม่รู้จักนาเออยังกระสับกระสาย หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังคิดว่าตรงนั้นจะดีคิดว่าตรงนี้จะดีคิดว่าตรงนั้นจะเป็นความสุขดูแลมันมันสับสายทั้งนั้นแต่พอมาถึงจุดนี้ปั๊บจับเข้ามาจุดนี้นั่นแหละเข้ามาหาหลักที่พระพุทธเจ้าจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นคว้าศึกษาพอจับเข้ามาจุดนี้ได้แล้วก็ดูใจเลย ตูตัวผู้รู้ตัวนมามธรรมตัวนึกคิดเนี่ยมันนึกคิดเรื่องอะไรนะก่านยกหนดดูจากนั้นใจของเราก็รวมรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบงเป็นหนึ่งเป็นพื้นฐานได้เพียงครั้งเดียวหรือสองสามครั้งต่อไปเรื่อยๆขึ้นมาเพราะเราพราะเราใส่ใจเพราะเราสนใจเพราะเราตั้งใจเพราะเราพรให้ความใส่ใจในเรื่องสมาธิให้ให้ความใส่ใจในเรื่องสมาธิ ใจิตใจของเราก็จะรวมสงบออยู่เรื่อยๆจนพื้นฐานเป็นบาทฐานจะเข้าสมาธิเมื่ อ, อไหร่ก็ได้จะให้ออกเมื่ อ, อไหร่ก็ได้เราจะให้อยู่นา น, นข้อไหนก็ได้ในเมื่อจะออกก็ได้เราจะนํามาพิจรารณาในเมื่อมันชําชองพอสมควรนํามาพิจรารณานะใจของเรามันหลงอะไรมันหลงอะไร ผลที่สุดพระพุทธเจ้าท่านมันหลงกายนะนี่พระพุทธเจ้าท่านรู้จักก่อนแหละเพราะท่านค้นคว้าศึกษาท่านบอกมันหลงกายนะกายยนครนนะพอมันหลงกายเพราะมันหลงกายแล้วหลงอย่างอื่นพอมันหลงกายตัวเองแล้วมันหลงอย่างอื่นนะหลงตัวเองก็หลงคนอื่นหลงธาตุขันคนอื่นหลงทรัพย์สมบัติหลงยศถาบรรดาศักดิ์มันจะหลงไปหมด ท, ที่เราต้องการกิเลสราคะโทสะโมหะที่มันต้องการมันจะหลงไปไหลไปตามนั้นอันดับแรกมันหลงร่างกายตัวเองว่าร่างกายของเราจะจะอยู่โชวฟ้าดินสลายจะไม่ตายจะตายไม่เป็นแต่เมื่อเราพิจารณาเอ้ยร่างกายของเราเนี่ตายนะมันไม่อยู่ค ง, งทนถาวรนะยืมมันอยู่นะอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนะถ้าลมไม่เข้าก็ใช่ลมไม่ออกก็ใช่หมดแล้วแน่ๆนะ ถ้าเรารู้อยู่ในจิตใจอยู่อย่างนั้นเป็นปัจจุบันอยู่อย่างนั้นนี่แหละเราจะรู้แจ้งเห็นจริงเกิดความรู้เกิดความเบื่อหน่ายตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิปัสสนาอะไรกันเนี่เดินเข้าสู่หลักวิปัสสนาวิปัสสนาคือความหาเหตุผลเข้ามาลบล้างความรู้สึกเก่าแก่ดั้งเดิมของ จ, จิตใจตืตัวอวิชชาตัวนั้น เมื่อเรารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้ตามความเป็นจริงถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจใจบริสุทธิ์ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก็จะรู้ได้โดยตนเองนี่แหละทำคาสอนของพระพุทธเจา้าพวกเราใครควรทบทวนดูนะที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาศาสตร์ของพระพุทธเจ้า คือาศาตร์อย่างนี้าศาสตร์อย่างอื่นจะเป็นาศาสตร์ไหนก็เถอในโลกเนะี่ยมีมากมายจะว่ า, าศาสนาไหนก็าศาสนาไหนเถอในโลกเนะี่ยไปคนละแนวบางทีก็ไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็ว น, นกับปล่อยเรือลงทะเลอย่างนั้นน่ะตามหาก็ไม่เจอไม่ร่วนไปไหน ห, หมอบให้ทัทะเลไปเลยแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้น ถึงจะลงทะเลก็เถอะยังมีสมอยังมีอันไหนที่จะมีเครื่องยามฝั่งมีทรธและทัศวิทยุติดตามอยู่เหมือนเขาส่งดาวเทียมขึ้นบนท้องฟ้าอย่างนั้นถึงจะส่งไปไกลขนาดไหนก็ยังสื่อสารกันได้ในพื้นพื้นมนุษย์โลกทำคำสอนของพระพุทธเจ้าในลักษณะอย่างนั้น ท่านรู้ได้ว่าใจกายกายใจความรู้สึกนึกคิดของใจของเรานะี่คืออะไรเป็นศาสตร์ที่ลึกลับเป็นศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนศาสตร์ของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นจึงเป็นศาสตร์ที่ศึกน่าศึกษาถ้าศึกษาถึงที่แล้วนั่นจะรู้ได้ด้วยตนเองเหมือนกระจับไฟอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องตน้นอันไหนร้อนอันไหนเย็นอันไหนควรไม่ควรอย่างไร รู้แก่ใจตัวเองทั้งหมดเพื่อให้พวกเราทุกคนนะศึกษาทำคําคสอนของพระพุทธศาสนาอันดับแรกกันเลยนะจะเข้าสู่ทางสายแรกได้หรือว่าต้นทางได้คือสมาธินะอ่าอันให้สงทานก็ดีศีลก็ดีอันนั้นเป็นสิ่งแวดลอ้อมเป็นเฉียงเดินทางเท่านั้นเองทานและศีล ทานก็คือสเสบียงเดินทางศีลก็คือเราจะเดินไปในทางไหนจะไม่เกะกะลานลานทำให้คนอื่นเดือดร้อนพุ่นวายสมาธิเนี่ยแปลว่าก้าวเดินตามลำพังใจของตนเองแหะทนีเราจะชาระยังไงเราจะแก้ไขในตัวเองอย่างไรจากนั้นก็เดินวิปัสสนาเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเมื่อเห็นตามความจริงแล้วก็สลัดทิ้งออกทั้งหมด ท่านจึงประกาศชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านนะรับพรอนุโมทนาให้พร